ธรรมปัญญายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่ห้าทางทางใจเดินไปอย่างสำรวมทางนี้เป็นทางใจดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราต้องมารู้ที่ใจเอาใจเป็นฐานปฏิบัติกายนั้นเป็นฐานสมทบ อย่างเรายกมือขึ้นมันไม่สำคัญตรงยกมือสำคัญตรงความรู้ตัวคุณภาพชีวิตอยู่ที่ใจคนคนเสียก็เพราะจิตใจเสียจิตใจถูกทำลายแหลกดานก็เสียคนหน้าตาอาจดีแต่ใจเสียเสียแล้วคนดีนั้นดีที่ใจเป็นประเดิมจะร้ายก็ร้ายที่ใจดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เห็นง่ายที่สุดคือจิตใจดีขึ้นยกระดับความตื่นให้สูงขึ้นเริ่มใจดีต่อสิ่งของต่อเครื่องใช้ต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องเรียกว่าใจดีส่วนดีใจนั้นคนละความหมายคนดีใจอาจใจไม่ดีก็ได้ดังนั้นถ้าจเจริญภาวนาถูกต้อง ก็จะมีน้ำใจไหลหลัง่งภาษาบาลีใช้คำว่ามะนาโปมะมณะแปลว่าใจอาโปแปลว่าน้ำรวมเรียกว่าน้ำใจคือความเอิบอาบทำกิจกรรมอะไรให้ผู้อื่นได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจมีชีวิตร่วมกันอย่างเต็มอกเต็มใจอันเป็นผลเนื่องจากการภาวนา เมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเจริญภาวนาไม่เป็นมีแต่ความรู้อันเกิดจากการฟังและการอ่านต่อมาผมพบหลวงพ่อเทียนแล้วเริ่มภาวนาไม่สนใจพ่อแม่อีกต่อไปแล้วไม่สนใจน้องไม่สนใจพี่แต่ไปเยี่ยมเยียนเรื่อยผลก็กลับดีคือเราเลิกจุนจ้านกับคนอื่นคนอื่นจึงสบายขึ้น เราก็เลยสบายไปด้วยน่าสังเกตว่าที่พระพุทธเจ้าแนะพระสาวกให้ระวังจิตใจตนเองนั้นเท่ากับให้ระวังผู้อื่นไปในตัวทรงยกอุปมาในเหตุการณ์จริงของสิทธิอาจารย์นักเล่นไม้สูงเมื่ออาจารย์ผู้แบกลำไหตะโกนบอกสิทธิผู้ยืนอยู่ปลายลำไหว่าเราระวังเจ้าและเจ้าระวังเรา สิ์กลับเห็นตรงกันข้ามตะโกนตอบมาว่าอาจารย์ระวังตัวอาจารย์เองและผมก็ระวังตัวผมเองแล้วเราจะแสดงกายกรรมเลี้ยงชีพได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำของสิทธิถูกต้องระวังตนชื่อว่าระวังผู้อื่นไปในตัวถ้าสำนักงานเพียงมีคนหนึ่งมีสติเขาจะประยุงให้คนอื่นมีสติตาม แต่ในทางกลับกันถ้าผู้นำเจ้านายหรือพ่อแม่ขาสติจะทำให้ลูกหรือพักพวกขาดสติไปด้วยธรรมชาติของสตินั้นเหมือนกับแสงไฟเมื่อจุดขึ้นเราก็เห็นได้จากการเห็นสิ่งหนึ่งก็ไปสู่การเห็นอีกสิ่งหนึ่งมันโยงกันไปผู้ที่มีสติดีขึ้นเรื่อยๆ จะค่อยๆทําให้เพื่อนที่อยู่รอบตัวมีสติตามไปด้วยเพราะว่าผู้มีสติคือผู้ที่รู้สึกตัวกายและจิตเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจิตคิดอย่างไรก็รู้ในที่สุดก็เกิดการสัมรวมขึ้นความงามนั้นเกิดจากการสัมรวม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่หนึ่งว่าการสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจไว้นั้นเป็นสิ่งที่ควรสาธุการสำรวมในที่นี้หมายถึงการตระหนักรู้เป็นสิ่งที่น่าดูน่าสาธุเป็นสิ่งที่งดงามไม่ว่าจะดูจากภายนอกหรือภายในอาการรู้ตัวนั้น ดูไปแล้วมันคล้ายๆไม่รู้อะไรแต่ในที่สุดมันจะกลายเป็นความงามความอดทนความเสงี่ยมอาการสํารวมการที่เรามาจเจริญสติอย่างนี้เราปลุกธาตุรูให้ตื่นเมื่อใดก็ตามที่ความรู้ตัวเราตื่นมันจะชําแรกออกจากห่วงโซ่ความคิดซึ่งก็คือกระบวนการของเวลาอาการรู้นี้ ไม่อยู่ในลำดับแห่งเหตุการณ์คือตัวเรานี่เองเมื่อไม่อยู่ในลำดับจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก็เป็นอันเดียวกันคำว่ารู้นี่เองที่นักบวชชื่อโคตมะสักยามุนีประทับนั่งใต้ต้นโคแล้วรองอุทานออกมาพอท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านก็เปล่งพระวาจาออกมาว่ารู้ละ คำว่ารู้นี่เองคือพุท ธ, ธพุท ธ, ธนี้แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานท่านตรัสอุทานว่ารู้อาการตื่นตัวรู้ตัวนี้มีคุณค่ามาหาศาลส่วนความรู้เป็นเรื่องเล็กๆ เ, เช่นความรู้เรื่องทางโลกรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อาจารย์ของผมท่านไม่รู้ด้วยซ้าว่าโลกกลม และยังเข้าใจผิดว่าโรคแบนด้วยผมเคยอธิบายให้ท่านฟังว่าโรคลมท่านแสดงอาการแปลกใจมากท่านไม่รู้หนังสือหนังหาแต่ว่าการตื่นตัวนี้มากพอที่จะสอนคนที่มีความรู้มากๆและหลงทางได้ความรู้ที่มากเกินอาจกลายเป็นกองขยะได้ยิ่งมีมากก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นเน่า แต่ว่าขยะมูลฝอยเหล่านั้นเป็นปุ๋ยได้ถ้าเรารู้จักใช้การรู้ตัวเหมือนเครื่องกำจัดสิ่งเน่าเสียแต่ถ้ารู้แบบความรู้คิดเก่งก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวแล้วทำอะไรน่าเกลียดน่าชังทั้งเป็นทุกข์ร้อนใจง่ายขัดเกลาสภาพหยาบสถุนที่จะกล่าวตอนนี้คือ การออกค่ายหรือการใช้ชีวิตเช่นนี้เราไม่ต้องการความสะดวกสบายเหมือนที่บ้านเราใช้ชีวิตแบบป่าป่าเราไม่ได้มาปิกนิกหรือมาอย่างอื่นชีวิตเราต้องง่ายมากจะกินจะนอนอย่างไรก็ได้กินพอประทังความหิวระงับทุกขเวทนาพอให้หายทุรนทุรายที่ท้องถ้าเราใช้ชีวิตง่ายๆได้ดีก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่า ปัญหาทางด้านจิตใจเราน้อยลงก้อนกลวดกลมๆหรือแบนๆนในลำธารคลื่งตัวไปตามกระแสน้ำก็ถูกขัดเกลาจนกระทั่งมีรูปทรงตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต้นไม้ที่งอกบนภูเขาที่มีลมแรงยืนกิ่งหรือลำต้นโอนเองตามลมที่พัดปะทะมะพร้าวที่อยู่ริมทะเลปิดลำต้นเป็นเกลียว เพื่อยืนหยัดสู้แรงลมหมุนอยู่ริมทะเลธรรมชาติโดยรอบขัดเกลาวิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงอยู่รอดและอยู่ได้ดีการภาวนาก็เช่นกันเราต้องการให้ธรรมชาติขัดเกลวถ้าเราฝืนหรือเราใช้ชีวิตแบบคนในเมืองส่วนใหญ่แล้วมักแข็งทื่อต่อกระแสธรรมชาติเวลาที่เราซักผ้า เราเอาผ้าแช่น้ำเพื่อจะให้น้ำเป็นสื่อกลางเมื่อเราขยี้ผ้าคราบใครสกปรกที่ติดมาก็จะดุดออกเราเข้าใกล้ธรรมชาติเท่าใดเราจะค่อยๆเรียนรู้อาการหมดจดบริสุทธิ์ทั้งในธรรมชาติข้างนอกและข้างในตัวเราได้เท่านั้นดังนั้นเราต้องไม่เข้าไปในความคิดและต้องไม่คิดที่จะหยุดความคิดเพราะความคิด เป็นกระบวนการของอดีตอันเนื่องมาจากความจำถ้าเราพัวพันอยู่กับความคิดเราจะกลายเป็นคนที่ค่อยๆแปลกแยกจากธรรมชาติไปทุกทีต่อให้เราซื้อบ้านหลังใหญ่อยู่ในป่าเขาหรือไปอยู่ตามถ้าต่างๆแบบนักปวดเต็ไมไปด้วยความคิดนึกหรือพัวพันอยู่กับความคิดนึกอย่างไม่รู้ตัวธรรมชาติโดยรอบก็ไม่อาจมาขัดเราได้ ความเงียบเป็นธรรมชาติที่ขัดเกลาวความวุ่นวายตามธรรมดานั้นจิตใจและบุคลิกภาพของเรามักหยาบเรียกว่าสถุระอุปนิสัยของสัตว์สามัญทั่วไปมักสะถุนคือพูดหยาบคิดหยาบกระทำหยาบและยุ่งยากพัวพันแทนที่จะง่ายๆด้วยสติโดยเฉพาะการศึกษาแผนใหม่ทำให้คนสะถุนยิ่งขึ้น เกมกีฬาที่แข่งกันระดับโรคเป็นเรื่องหยับช้าเป็นเรื่องส่งเสริมสรญชาติยานของสัตว์คือทาราวกับศึกสงครามเข็นฆ่าฝ่ายศัตรูให้พินาศคราวชนะนั้นออกอาการดีดดิ้นเสริมอุปท า, านการที่เราจะให้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนขัดเกลาเราประการแรกสุดคือเราต้องเคารพความเงียบเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า หรือรูปปฏิมารหรือบุคคลที่เรานับถืออย่างมากเราจะเริ่มเงียบเราจะสัมรวมแล้วก็ฟังทุกถ่อยคำของคนที่เรารักนับถือถ้าเราเฝ้าดูสิ่ง ร, บรอบๆตัวเช่นแสงแดดเฝ้าฟังเสียงต่างๆเช่นลมพัดไม่ใช่เฝ้าดูเฝ้าฟังในแง่สุนทรียภาพที่เรียกว่าสายลมแสงแดดแต่เราเปิดหูเปิดตาขึ้น เพื่ให้ทุกสิ่งปลุกเราให้ตื่นขึ้นถ้าเราปิดกัน้นธรรมชาติก็ไม่มีโอกาสที่จะขัดเกลาเราเหมือนลำธารที่มีแอ่งน้ำแต่น้ำไม่ไหลดังนั้นไม่ช้าไม่นานน้ำก็จะเน่าแต่ถ้าเราเปิดทางให้น้ำไหลกิ า, าการที่น้ำไหลนั่นเองจะค่อยๆชำรัตะกอนหรือสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเหม็นได้ ทางดำเนินของสัจธรรมคือสภาพจริงของสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าความคิดปรุงแต่งเข้ามาบดบังเราอยากให้โลกนี้ตอบสนองความต้องการของเราดังนั้นแนวโน้มเอียงของทุกคนจึงมีอยู่กล่าวคือเราจะเห็นโลกนี้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงแต่ใครที่จะเห็นตามที่ตัวเองอยากให้เป็น แทนที่จะเป็นตามอย่างที่มันเป็นบ้านอาคารจะสวยจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอย่างไรคือต้องการให้มันใหญ่มันก็อาจดูเล็กสำหรับความต้องการที่ใหญ่ของเราดังนั้นถ้าเราเงียบเชียบในตัวเองไม่ช้าไม่นานเราจะสัมผัสกิเลสตัณหาของเราได้ถ้อยคานี้อาจฟังดูแปลก ตามธรรมดานั้นเราถูกเปลียป่ยนแปลงจากกิเลสโดยที่เราจับตัวมันไม่ได้เราไม่รู้จักสภาวะของกิเลสเช่นเดียวกับเชื้อโรคร้ายแรงบางอย่างเราไม่รู้จะจัดการมันอย่างไรเรารู้ว่ามนุษย์ถูกเปลียป่ยนแปลงอยู่อย่างไรแต่เราหาที่มาหรือสาเหตุไม่เจอเราจัดการไม่ได้ได้แต่ทุกข์หรือเราดีแต่ทุกข์ เราพูดกันเรื่องกิเลสเรื่องจิตเรื่องกุศลเมื่อเราไม่เงียบเข้าไปในใจเราก็ไม่รู้จักซักตัวเดียวแต่เมื่อเราเงียบเชียบดีเราก็รู้ตัวดีสติดีพอราคะเกิดเราจะสัมผัสมันด้วยความรู้สึกทั้งหมดเมื่อเรากับราคะเป็นอันเดียวกันราคะก็จะหมดพิสงเพราะถูกความรู้ตัวทั้งหมดดูดกลืน ความรู้ตัวมีกำลังขึ้นเพราะกิเลสโดยทั่วไปแล้วเราได้ยินว่าเราต้องละราคะโทสะโมหะถ้าเรายังไม่เห็นมันยังไม่รู้จักมันเราจะละมันได้อย่างไรเว้นแต่เราจะได้เจริญสติอย่างแน่นแฟ้นและต่อเนื่องคำว่าแน่นแฟ้นและต่อเนื่องหมายความว่ามีการลืมตัวน้อยลง และน้อยลงสติว่องไวฉับพลันขึ้นในจิตใจพอความเงียบเต็มเปี่ยมในจิตใจแล้วการเห็นธรรมะจึงเป็นไปได้การที่เราพูดคุยกันเรื่องพระพุทธเจ้าจนสว่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะพูดการเรื่องสติจนขาดสติพูดการเรื่องสตินั่นแหละคือไม่มีสติถ้ามีสติก็จะไม่พูดมากนิสัยเริ่มเปลี่ยนไป สายน้ำซึ่งไหลไปทางหนึ่งจะเริ่มทวนกลับโดยทั่วไปสตินั้นไหลเข้าไปในความคิดนึกพอรู้ตัวมากๆเข้าสติจะเริ่มไหล ย, ย้อนกลับแล้วก็ไหลลึกซึมแทรกลงในตัวชีวิตและแผ่ไปอย่างไร้ขอบเขตเรียกความเต็มตัวคืนมาความรู้สึกที่เต็มตัวและแผ่กระจายเมื่อเคลื่อนไหวนี้เองที่เราเรียกว่า สมาธิที่ไม่มีระหว่างหรืออนันตริกาสมาธิซึ่งถือเป็นรัตนอันประนีตมีค่ายิ่งการเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจึงเป็นไปได้ความรู้สึกตัวบริสุทธิ์ในการภาวนานั้นเราต้องทำตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแต่เราช่างมีโอกาสน้อยแค่สามวัน เราอย่าทำให้เป็นเรื่องปิกนิกเรามาเพื่อจะกินอาหารอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เพื่อจะกินข้าวของชาวบ้านที่นี่เรามาสัมผัสชีวิตเรามาดื่มกินความรู้สึกตัวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอาหารอมตะเราจะอยู่รอดปลอดภัยและเราจะช่วยให้ลูกเมวหรือสามีของเราเพื่อนมนุษย์ของเราได้อยู่รอดปลอดภัยด้วยความรู้สึกตัวนี้ สติปัญญาเกิดขึ้นภายในตัวคนหนึ่งเป็นเสมือนเชื้อไฟที่ลุกขึ้นในป่าต่อจากนั้นจะลุกรามไปรอบข้างการที่เรามาภาวนาเช่นนี้ก็เพื่อตัวเองด้วยเพื่อสังคมด้วยเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้าสมมุติว่าในหมู่บ้านแห่งหนึง่งซึ่งอยู่ในภาวะสงครามไม้ขีดหมดไปก็จะพบว่าไฟมีค่ามาก เมื่อสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่สองผมยังเด็กอาศัยอยู่ในชนบทหาไม่ขีดไม่ค่อยได้เลยดังนั้นบ้านของป้าหรือนะ้าต้องเลี้ยงไฟกันทั้งคืนจุดไฟแล้วก็ต่อไว้เรื่อยๆนี้ฟังจากปากผู้เฒ่าผู้แก่บ้านไหนไฟดับก็ต้องตามลาบไฟกันในการภาวนานั้นให้เรามีสติอยู่เลี้ยงเชื้อตัวรู้ไว้เรื่อยๆ พอเราอ้าปากพูดมากเท่านั้นเองมันก็หายไปแล้วตอนนั้นลืมตัวไปแล้วดังนั้นเราควรพูดกันให้น้อยดูใจกันให้มากหลักเกณฑ์ในการภาวนานั้นมีอยู่ว่าบ่มความรู้สึกตัวบ่มรู้ดูใจลุกขึ้นเดินจงกรมบ่มรู้ดูใจอย่าโมัถามปัญหา มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงความจริงได้ด้วยคําพูดและความคิดดังนั้นป่วยการที่จะถามใครอื่นเรื่องของเราเรารู้ตัวดีเมื่อเราปวดฟันเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วถามว่าเราปวดฟันหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องโง่เกินไปหรือเมื่อหายปวดฟันเราไม่ต้องถามว่าหายหรือยังแต่เราอาจต้องถามถึง วิธีการรักษาโรคฟันว่าทำอย่างไรเพราะเราไม่ใช่หมอเราอาจถามว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรแต่อย่าเที่ยวถามเรื่องของเรากับคนอื่นสมัยก่อนผมชอบซักถามจนกระทั่งเป็นที่นา่ารำคาญของครูบาอาจารย์ถามทุกเรื่องเพราะความขี้สงสัยแต่มีอยู่วันหนึ่งซึ่งผมจะเล่าฝากไว้ ผมฟังหลวงพ่อเทียนเทศนาซึ่งส่วนไหนที่ประสบการณ์ของผมถึงผมก็ไม่สงสัยในถ้อยคําของท่านท่านพูดถึงตอนหนึ่งซึ่งทําให้ผมบังเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะประสบการณ์ของผมไม่พอที่จะรับความรู้ระดับนั้นความคิดสงสัยก็เกิดขึ้นว่าข้อความอันนี้มันมาอย่างไรหมายถึงอะไรกันแน่เพราะเรางง ไม่เข้าใจส่วนสุดของมันส่วนลึกของมันเพราะคำพูดประโยคหนึ่งนั้นมีความหมายทั้งส่วนตื้นส่วนกลางส่วนสุดผมไม่เข้าใจส่วนสุดแต่เข้าใจส่วนตื้นเข้าใจว่าประโยคนี้ผมฟังออกคิดตามได้แต่ส่วนลึกจริงๆผมงงสงสยัยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวต้องถามท่าน พอหลวงพ่อเดินกลับกุฏิผมก็ไปดักหน้าพออาป่านจะถามปัญหาผมเห็นแววตาของท่านผมลืมปัญหาเพราะหลวงพ่อไม่ใช่นักปราชญท่านไม่ใช่สัญลักษณ์ของนักคิดแต่ท่านเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่อยู่เหนือความคิดท่านมองหน้าผมผมก็เลยลืมคำถามท่านบอกผมว่าลืมคำถามใช่ไหมงั้นดีแล้ว ทิ้งมันไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันอีกตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยถามใครเลยพอคิดจะถามก็รู้ตัวเห็นความสงสัยเลยหายสงสัยเรียนตรงเข้าไปที่หัวใจคำพีแปดมนพันนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ทั้งป่าซึ่งอย่างรากลงดินรู้จักดินแล้วก็ใช้ได้รู้จักใจตัวเองแล้ว ความรู้จะมาเอง